จหปฏิชนะปริวาสว่าด้วยปริวาสสาหรับอาบัติปิดไว้ห้าวันสมัยนั้นท่านพระอุทายีต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้สองวันปิดไว้สามวันปิดไว้สี่วันปิดไว้ห้าวันแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัตถิ ปิดไว้ห้าวันกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจ ต, ตนากาสุกวิสติปิดไว้ห้าวันแกภิกษุอุทายีวิธีให้ปริวาสและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลาย สงพึงให้ปริวาทอย่างนี้เคอพิสุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิสุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอปริวาธห้าวัน เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันกับสงฆ์พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติเจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดวห้าวัน ภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกาภิกษุอุทายีนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า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 ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตานิกาสุขวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันแก่ภิกษุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปริวาทห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิการสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันสงให้แล้วแก่ภิกษุทายี สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาริวาสิกะมูลยะปฏิกัสนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม ท่านพระอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุขวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริวาสห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุขวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสง์ ทรงได้ให้ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 กราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยองประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอปริวาห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาห้าวัน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 สงได้ให้ปริวาสหวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไว้หวันกับภิกษุกอุทายีแล้วภิกษุกอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุกอุทายีนั้นขอการแชกเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่าง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 ท, ท, ท, ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัต1หนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุอุทายีสงชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วเพื่ออาบัต1หนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้มานัตตาระหะมูลยะปฏิกัศนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัเข้าหาอาบัติเดิม ท่านพระอุทายีนั้นอยู่บริวารแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอบริวารห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิ ปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงได้ให้ปริวาทหวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้หวันแก่กระผมกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงของการชักเข้าหาอ า, าบัตเดิม thirteen. เพื่อ อ, อาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่าง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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไววิธีชักเข้าหาอาบัตเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงชักเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง กมอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แกพ่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริว่าห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตานิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสง สงได้ให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงของการชัเกเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสง์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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัถิปิดไวห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสหวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไวภิกษุอุทายีนั้น ขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวในระหว่างชื่อ สัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการแชกเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ pues สัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงชักภิกษุอุทา ย, เยทีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ pues สัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ <N ik ati> นี่เป็นญาติ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 ปิดไว้ห้าวันกับภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกาลังอยู่ปริวาตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญาเจตนาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงส่งชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายี น, นั้นอยู่บริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสง์ สงฆ์ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการญญชักภิกษุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวง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 กัปฏิมานตะว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัตสามตัวท่านพระอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วบอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันกระผมนั้นขอปริวาสห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันกับส ทรงได้ให้ปริวาสห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวห้าวันแกกระผมแล้ว of of กระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระห ว, าว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัตเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไวกับทรง สงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสกวิสัถิในระหว่าง ไม่ได้ปิดไว้กับสงสงเช่ากระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่เปริว่าแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงจงให้มานัดหกราตรี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 กระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงส่งได้ให้ปริวาทห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาท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 ไม่ได้ปิดไว้ภิกสุอุ Compl. ทายีนั้นอยู่บริวาทแล้วเป็นผู้ควรแกร่มานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกสุอุทายีนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงสงชาพิษุทายีเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตธิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติสมตัวกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติสามตัวแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า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 ภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นจึงขอการแชกเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์แชกภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัตถิ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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติสตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติสตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติสตัวแก่ภิกษุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าภิษุทายีสงได้ให้มานัทโกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ มานัตตะจริกะมูลยะปฏิกัรนาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤตมานัตเข้าหาอาบัตเดิมท่านพระอุทายีนั้นกำลังประพฤตมานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัติปิดไว้ห้าวัน กระผมนั้นขอปริวาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวห้าวันกับสงส่งได้ให้ปริวาดห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชืว่อ okay. สัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิปิดไวห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาาต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 เข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิการสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วให้มานัดหกราตรีวิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย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 กระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัดสาตัวกับสงสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวแก่กระผมกระผมนั้นกําลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตดเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิในระหว่าง ไม่ได้ปิดไว้กับสง์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามกิุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัดหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิสุทายีนั้นขอปริว่าห้าวัน เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญจเจตนิกาสกรวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาส5วันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสกรวิสัตถิปิดไว้หวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสกรวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุทายีนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิการสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิการสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้ว mm. เป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 สงได้ให้ปริวาสหวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัตถิปิดไวห้าวันกับภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชิญเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุควิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสง์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 ไม่ได้ปิดไว้กับสงสงชาปิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุลวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่บริวารแล้วขอมาณหกราตรีเพื่ออาบัติสมตัวกับสงสงได้ให้มานัทหกราตรีเพื่ออาบัติสมตัวกับภิกษุอุทายีแล้วภิกษุทายีนั้นกําลังประพฤติมานะ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 ภิกษุอุทายีสงฆชักเข้าหา อ, อาบัติเดิมแล้วเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีให้มานัดและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัดหกราตรีอย่างนี้เพอภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสม ผมอุตราสงฆ์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พันษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสสถิปิดไวห้าวันละถึงกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติสามตัวกับสงส่งได้ให้มาณัดหกราตรีเพื่ออาบัติสามตัวแก่กระผมแล้ว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 ท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอมาณหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตเนกาสุขวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงพึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้เจราสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อ สัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไวห้าวันละถึงภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวและภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังประพฤติมานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 ในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทาญีนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทาญีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันละถึง ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบดษามตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังประพฤติมานัดต้องอาบัต์หนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัต์เดิม เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสมสงฆ์ชาปิสุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอมาณัหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสม สงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ empresas, สัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงมานณหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้สงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้